ดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพเทปมว้วนนี้ไม่มีการจำหน่ายแต่มีแจกให้ฟรีเพื่อการเผยแพ่ธรรมะและเพื่อประกาศเกียรติคุณตามความเป็นจริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสุธยานมงคลหรือหลวงพ่อจลันทิตะธรโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี พุทธดรรับที่ว่าเอกายโนอายังพิกเวมัคคูญาิทังจัตตารสติปัฏฐานาทางซายนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความระงับความโศกระงับความคร่ำครวนเพื่อดับทุกข์ดับโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคและนิพพาน ทางสายเอกนี้ได้แก่สติปัฏฐานสคือสติกำหนดตามดูกายเวทนาจิตและธรรมกิเลสได้แก่โลภะโทสะโมหะอำนาจของกิเลสสามารถทำให้เกิดอภินิหารดังเช่น อำนาจของโลภะทำให้กลายเป็นเปรตดได้อำนาจของโทสะลงนรกอำนาจโมหะมีอยู่กับท่านใดวิญญาณจะแตกดับทำลายขันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีดังที่ดิฉันจะนำเรื่องราวตัวอย่างของอำนาจจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ณวัดอัพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสุธิยานมงคลหลวงพ่อจรันทิตะธรรมูซึ่งท่านได้ประสบมากับตัวท่านเองนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักเรื่องหนึ่งตามสมควรแก่เวลาคือเรื่องแม่กาหลง ความรักความใคร่ที่บังเกิดขึ้นในใจของชายหญิงก็เป็นกิเลสอารมณ์อันยิ่งใหญ่และทรงพลังสุดจะประมาณได้เพราะอารมณ์แห่งความรักอันเป็นโลกีวิสัยเป็นพลังที่ธรรมชาติกําหนดให้แก่สัตว์โลกเพื่อสืบทอดสายพันธุ์ต่อเนื่องกันไปตราบการละนานในอารมณ์แห่งความรัก คล้ายมีความสุขยั่งยืนเป็นนิรันต์ไม่เสื่อมคลายและคล้ายมีความทุกข์ยั่งยืนเป็นนิรันต์ไม่เสื่อมคลายสุขและทุกข์ครุกเคล้าผสมผสานกันอยู่ในรักนั้นแต่มีใครเล่าที่จะยังรู้ว่าสัจจะแห่งความรักไม่เคยเป็นนิรันต์มันเกิดขึ้นทรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุด เป็นเช่นนี้เองที่บ้านมอนจังหวัดสิงห์บุรีหนุ่มสาวคู่หนึ่งตกอยู่ในห่วงแห่งความรักแล้วสืบสารความสัมพันธ์นั้น ไปสู่การร่วมชีวิตคู่เพื่อครองรักเชื่อมั่นและมุ่งหวังในรักนี้เป็นนิรันด์ฝ่ายชายเป็นหนุ่มหน้าตาขมสันฝ่ายหญิงผิวคร้ำขำคมสวยไม่เป็นสองรองไข่ชื่อกาหลงอายุไล่เลี่ยกันประมาณยี่สิบกว่าปีหลังจากแต่งงานแล้วผัวหนุ่มเมียสาว ก็มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันบ้านหลังนั้นค่อนข้างใหญ่โตกว้างขวางปลูกสร้างแบบทรงไทยเป็นเรือนแฝดเป็นบ้านพักอาศัยของอดีตนายอำเภอซึ่งกเกษียณอายุราชการไปแล้วและย้ายไปอยู่ในกรุงเทพมหานครกับลูกๆเมื่อบ้านทิ้งว่างจึงให้ผู้อื่นเช่าอาศัยเริ่มแรกชีวิตคู่ระหว่างหนุ่มสาว ประหนึ่งมีความสุขความรื่นรมอบอวนทุกอนูอากาศฝ่ายชายทำงานที่เทศบาลเมืองฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านดูแลครัวเรือน<ป>การเวลาล่วงไปจากวันเป็นเดือนแล้วเลยไปเป็นปีสัจจะแห่งความรัก ก็เริ่มประกาศธาตุแท้ของมันไม่เคยมีความสุขในความรักอันเป็นโลกีวิสัยเป็นนิรันด์ฝ่ายชายสามีแม่กาหลงก็เริ่มออกลายเจ้าชู้อาศัยว่ามีรูปร่างหน้าตาขมสันเป็นคนรื่นเริงมีวาจาไพเราะหญิงอื่นก็ยอมสนิทเสน่หาด้วยความทุกข์ก็พลันบังเกิดขึ้นแก่แม่กาหลง เพราะความหึงหวงจากที่เคยพูดจาอ้อนวอนโอนอ่อนยอมความกันง่ายๆก็กลับกลายเป็นปากเสียงทะเลาะเบาะแวง้งคำต่อคำไม่ยอมใครแม่กาหลงร้อนรุ่มกลุ้มใจหนักขึ้นทุกวันความผูกพันกระสันแน่นระหว่างชีวิตผัวเมียก็เริ่มคลายเกลียวเพราะไม่มีลูกด้วยกันเป็นโยงใหญ่อีกสายหนึ่ง ติดติดกับบ้านของแม่กาหลงคือบ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อกรีบภรรยาผู้ใหญ่คือคุณป้ายุพินบำเรอ จ, จิตซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้ฝักใฟในธรรมประกอบการบุญการกุศลมิได้เว้นคุณป้ายุพินก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าแม่กาหลงกับสามีมิได้กลมเกลียวกันเช่นเก่าก่อน แต่เรื่องพัวพัวเมียเมียนั้นจะไปยุ่งเกี่ยวก้าวไายเกินไปก็ไม่สมควรนะักกระทำได้ก็เพียงให้ข้อแนะนำตักเตือนเท่านั้นเวลาแม่กาหลงมาปรึกษาระบายความทุกข์ให้ฟังแม่กาหลงขืนขมอมทุกข์กับสามีจนย่างเข้าปีที่สามความรักความหวานที่จืดจางไปก็เพราะ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 สังเกตเห็นผิวพรรณแม่กาลหลงมองคล้ำหน้าตาไม่มีริ้วรอยความแจ่มใสเอาเสียเลยจึงถามว่ากาหลงทำอะไรจ๊ะจะทำปลาจ้ะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ป้ามันร้อนมันกลุ้มแล้วแม่กาหลงก็คว้าปลาช่อนที่ขังไว้ในโอ่งออกมาพาดกับเขียงใช้สันมีดทุบหัวปลา ก่อนจะขอดเกตปากก็บ่นกับคุณป้ายุพินหนูเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ป้ามันกลุ้มเหลือเกินคุณป้ายุพินจึงถามว่ากลุ้มเรื่องอะไรแม่กาหลงก็ไม่ตอบคุณป้ายังพูดย้าวว่าทำไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อยละ่ะแม่กาหลงก็บอกว่ามันร้อนจากวันนี้รู้สึกร้อนเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรให้หายร้อนหายกลุ้ม คุณป้ายุพินเห็นแม่กาหลงมีท่าทางหงุดหงิดไม่สบายใจจึงได้เลี่ยงออกมาเสียกระทั่งเวลาล่วงไปประมาณบ่ายสี่โมงยนคุณป้ายุพินสังเกตเห็นที่บ้านแม่กาหลงมีคนพลุกพล่านพูดคุยกันฟังไม่ได้สับจึงเดินไปข้างรั้วถามว่ามีอะไรกันหรือคนในบ้านนั้นก็บอกว่า แม่กาหลงตายซิแล้วจ้ะเป็นอะไรตายก็ไม่รู้การดำขึ้นหมดทั้งตัวเลยคุณป้ายุพินพอรู้ว่าแม่กาหลงจากไปไม่มีวันกลับก็ใจหายหวนนึกย้อนตอนพูดคุยกันที่แม่กาหลงบอกว่าร้อนไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นคงกำลังเป็นไข้าการอยู่แน่ๆแต่แม่กาหลงไม่รู้ตัว และไม่บอกให้ใครรู้จึงช่วยเหลืออะไรไม่ได้ศพแม่กาหลงตั้งสวดครบสามวันก็นำไปเผาตามประเพณีระหว่างที่รอคอยให้ครบเจ็ดวันนั้นสามีนอนคนเดียวไม่ได้ต้องให้เพื่อนๆนมานอนเป็นเพื่อนเพราะมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทำให้อกสั่นขวัญกระเจิง เมื่อทำบุญเจ็วันแล้วสามีก็เริ่มขนของโยกย้ายไปอยู่บ้านแม่ของตนตามเดิมปล่อยบ้านทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาและตั้งแต่นั้นอีกเช่นกันบ้านเช่าซึ่งเคยเป็นรังรักเรือนหอของแม่กาหลงก็มีปรากฏการณ์ซึ่งแสดงว่าวิญญาณของแม่กาหลง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 ขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจรันทิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันแล้วระยะแรกๆที่ท่านมาปกครองวัดมีพระภิกษุสา ม, มเณรจำพรรษาอย่างมากไม่เกินสิห้ารูปพื้นที่บ้านวัดอัมพวันมีประชาชนอยู่อาศัยไม่มากนักชาวบ้านมีฐานะอัตคัดขาดแคลนประกอบอาชีพทำสวนทำนา มีรายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีพไปวันๆหนึ่งเวลานั้นวัดอัมพวันไปมายากลำบากด้านหลังวัดเป็นป่าดงลกเรื้อเต็มไปด้วยป่าไผ่วัชพืชมีต้นตางระเกะระกะนับร้อยต้นทางถนนต่อเชื่อมจากวัดกับทางหลวงสายเอเชียยังไม่มีและครองชนประธานก็ยังมาไม่ถึง การทำนาอาศัยน้ำหลากไหลเข้าทุง่งคือเดือน11อน้ำหนองเดือนส2องน้ำท่งเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำลงชาวนาก็ทำนาข้าวหนักข้าวกลางตามแบบอย่างโบราณทางสัญจรสะดวกที่สุดเวลาไปวัดอัมพวันขณะนั้นต้องอาศัยทางน้ำเป็นสำคัญเพราะวัดอัมพวันเป็นวัด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเมื่อหลวงพ่อจรันเป็นสมภารเจ้าวัดวัดอัมพวันก็เริ่มเจริญขึ้นเป็นลำดับมีกุลบุตรมาอุปสมบทบรรพชา เป็นพระภิกษุสัมมนเนรเพิ่มขึ้นพันสาระ 40-50 ถึงรูปญาติโยมลูกศิษย์เก่าๆตั้งแต่ท่านสอนมิปั ส, สนากรรมฐานที่วัดพรมบุรีต่างพากันตามมานามั ส, สการหลวงพ่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเวลามีญาติโยมศรัทธา ม, มาวัดจำนวนมากๆหลวงพ่อก็จำเป็นต้องไปขอบิณฑบาตอาหารหวานขาวบ้านเหนือบ้านใต้ มาเลี้ยงดูเพราะวัดอยู่ในพื้นที่ธุระกันดาลเลอเกินหลวงพ่อจรร น, นั้นท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้วัดอัมพวันประกอบด้วยสัปพายะทั้งสี่ครบถ้วนคือหนึ่งอาวาสสัปพายะสองอาหารสัปพายะสบุคลากรสัปพายะสธรรมะสัปพายะ ทั้งสี่ประการนี้ต้องอาศัยเนื่องกันวัดวาอารามจึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้หลวงพ่อก็คิดจะตั้งโรงครัวของวัดขึ้นมาเพราะเก่งใจชาวบ้านเหลือเกินที่ต้องขอบินทบาทข้าวหม้อแกงหม้อบ้านเหนือบ้านใต้บ่อยๆเสมือนไปสร้างความลำบากโดยปริยาย หลวงพ่อมีปัจจัยส่วนตัวติดตัวมาเพียงสามพันบาทเงินน้อยนิดเพียงเท่านี้จะซื้อเสาซื้อไม้มาปลูกโรงครัวใหม่ไม่พอแน่ครั้นจะบอกบุญเรียไรขอบริจาคชาวบ้านญาติโยมละแวกนั้นก็ลำบากใจเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่สุขสบายเหลือเฟือนักเมื่อไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วหลวงพ่อจึงตัดสินใจ เสาะหาซื้อบ้านเก่าเพื่อรื้อเอามาปลูกเป็นโรงครัวของวัดอำพรวันต่อไปโดยตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้ 3,000 บาทเท่าทุนที่หลวงพ่อมีอยู่จากนั้นหลวงพ่อจรันได้บอกฝากลูกศิษย์ญาติโยมไปว่ามีใครจะขายบ้านเก่าบ้างก็ให้นำความมาบอกจะได้ไปติดต่อขอซื้อมาสร้างโรงครัววัด ลูกศิษย์ดั้งเดิมซึ่งมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรมบุรีก็พากันแยกย้ายไปเสาะหาบ้านเก่าที่เขาอยากจะขายแต่ยังหาไม่ได้วันหนึ่งคุณป้ายุพินบำเรอจิต ซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐานของหลวงพ่อจรันมาที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็ถามว่าโยมพินใครมีบ้านจะขายให้ในราคาย่อมยาวบ้างคุณป้ายุพินบอกว่าขอดูก่อนเจ้าคะ่ะถ้ามีที่ไหนดิฉันจะมากราบเรียนให้ท่านทราบ พ, พอดีคิดขึ้นมาได้ว่าบ้านในอำเภอซึ่งอยู่ติดกันเป็นบ้านที่แม่กาลงสิ้นชีวิต และบ้านนี้ก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีเพราะไม่มีใครกล้ามาขอเช่าอยู่จึงกราบเรียนถวายหลวงพ่อพร้อมกับบอกท่านว่าหากเจ้าของบ้านกลับมาจะสอบถามให้ทันทีว่าเขาจะขายหรือไม่คุณป้ายุขินกลับจากวัดไปถึงบ้าน พอดีกับคุณนายนายอำเภอมาจากกรุงเทพมาดูบ้านท่านจึงถามคุณนายว่าบ้านหลังนี้จะขายไหมคุณนายก็บอกว่าขายสิเพราะเก็บไว้ก็ไม่มีใครมาเช่าคุณนายบอกราคาขายไว้ห0 0พันบาทคุณป้ายุพินรีบนำความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อจรรยท่านก็ให้ไปถามคุณนายนายอำเภออีกว่า พอจะลดราคาลงอีกได้ไหมคุณป้ายุพินจึงย้อนไปหาคุณนายพร้อมกับอธิบายให้ทราบว่าหลวงพ่อจรัญจะซื้อบ้านหลังนี้ไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดมิได้เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเมื่อคุณนายทราบเรื่องเช่นนี้ก็บอกว่าเมื่อหลวงพ่อจะเอาไปวัดขอคิดแค่สา0พันบาทเท่านั้น ซึ่งพอดิบพอดีกับเงินส่วนตัวของหลวงพ่อไม่ขาดไม่เกินคุณนายนายอำเภอมอบอำนาจให้คุณป้ายุพินจัดการเรื่องการตกลงซื้อขายแทนแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพคุณป้ายุพินจึงนาความมากราบเรียนถวายหลวงพอ่อพร้อมกับบอกหลวงพ่อว่านิบน l พระเดชพระคุณท่านไปดูก่อนเถอคะค่ะถ้าชอบค่อยซื้อแต่ถ้าไม่ชอบก็แล้วไป หลวงพ่อก็ตกลงไปดูบ้านนัดวันเวลาเรียบร้อยเมื่อถึงวันนัดหลวงพ่อจันรก็นั่งเรือไปไปถึงบ้านผู้ใหญ่กรีบคุณป้ายุพินร่วมเพนสองสามีภรรยาได้จัดพัฒตาหารเพนถวายฉันเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่กรีบก็พาหลวงพ่อจันรไปดูบ้านของคุณนายนายอำเภอ บ้านนั้นเป็นบ้านทรงไทยเรือนแฝดสภาพภายนอกดูยังดีอยู่เสียแต่ว่ามีหยักใยรุงรังและฝุ่นละอองจับอยู่ติ่มเพราะไม่มีใครดูแลรักษาผู้ใหญ่กรีบนิมนต์ให้หลวงพ่อขึ้นไปดูบนบ้านแต่ตัวเองไม่ยอมขึ้นไปคงเกาะ อ, อยู่ตีนบันไดแน่นแล้วบอกแก่หลวงพ่อว่า ท่านเข้าไปดูแล้วนิมนต์มาที่บ้านนะครับจะได้คุยกันพูดเพียงเท่านี้ผู้ใหญ่กลิบก็ไม่ยอมตามหลวงพ่อขึ้นไปเพราะรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าบ้านที่แม่กาหลงตายนั้นเหี้ยนขนาดไหนหลวงพ่อเจรัญไม่ได้คิดติดใจอะไรเพราะไม่มีใครบอกกล่าวเล่าเรื่องที่แม่กาหลงมาเช่าบ้านอยู่กับสามี แล้วเป็นไข้าการสิ้นใจตายกระทันหันหลวงพ่อจรรยขึ้นไปบนบ้านพ่อเก้าผ่านประตูบ้าน บ้านทั้งหลังก็พลันเกิดอาการโยกสะท้านประหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวแต่หลวงพ่อมิได้วันหวาดต่อสิ่งใดเพียงแต่สัมผัสความผิดปกติที่ไม่ชอบมาพากลและรู้สึกขนลุกเกลียวอย่างไม่มีสาเหตุท่านจึงลงบันไดามาถามผู้ใหญ่กรีบซึ่งคอยอยู่ตรงตีนบันไดว่าเอบ้านหลังนี้ทำไมมันดูพิกลละ่ะท่านผู้ใหญ่บ้าน ดูโยนไปโยนมาได้ผู้ใหญ่กรีบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกกับหลวงพ่อหน้าตาเฉยว่าเรือนหลังนี้บางทีมันจะเก่าไม่มีคนอยู่ขึ้นไปกระดานอาจโยนไปโยนมาก็ได้หรือหลวงพ่อจะเป็นลมวิงเวียนผู้ใหญ่ว่าเข้าไปนู่นที่ผู้ใหญ่กรีบไม่ยอมเล่าเรื่องแม่กาหลงให้ฟังนั้นคงเป็นเพราะ กลัวว่าหลวงพ่อจรัญจะไม่ซื้อบ้านนี้ไปและตัวเองน่าจะเจอฤทธิ์แม่กาหลงจนเข็ดเขี้ยวจึงหลวงพ่อจรัญรับฟังผู้ใหญ่พูดมีเหตุมีผลพอฟังได้ท่านจึงย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้งพอก้าวเข้าไปในเขตเรือนความผิดปกติเช่นครั้งแรกได้เกิดขึ้นอีกหลวงพ่อ จึงกำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปแล้วบอกกล่าวแก่บางสิ่งบางอย่างซึ่งสิงสถิตยอยู่ณที่นี้ว่าผู้ที่อยู่บ้านนี้ขอให้รับรู้อาตมาจะรื้อบ้านหลังนี้ ไปปลูกเป็นโรงครัวเพื่อทำอาหารถวายแด่พระสงฆ์องค์เนรและช่วยเลี้ยงพุทธศาสนิกชนให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลของเขาต่อไปพวกท่านจะอยู่ที่นี่ทาไมไปอยู่ด้วยกันเถอะไปอยู่วัดอัมพวันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันด้วยกันดีกว่าอย่าหลงอยู่ในอบายเป็นเปรตวิสัยเลยไม่ดีแน่เมื่อถึงเวลารือ้อก็มาช่วยกันรือ้อ เมื่อถึงเวลาปลูกก็ช่วยกันปลูกนะเรือนซึ่งโยกไหวพันหยุดนิ่งเป็นปกติกลับลงมาหลวงพ่อได้ไปบ้านผู้ใหญ่กรีบกับคุณป้ายุพินบอกตกลงจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วนัดหมายวันรื้อถอน ฝ่ายคุณป้ายุพินก็รับอาสาจะหาคนพื้นบ้านนี้มาช่วยกันรื้อสมทบกับคนของหลวงพ่อที่จะนำมาจากวัดอัมพวันเรื่องอาหารการกินจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้พร้อมหลวงพ่อจรันกลับมาถึงวัดได้จัดเตรียมทางที่ซึ่งจะปลูกโรงขวัวเรียกช่างมาวัด จัดการขุดหลุมฝังเสาเอาไว้ลวงหน้าเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายหรือบ้านเก่าายอำเภอซึ่งหลวงพ่อจะรันซื้อไว้แล้วหลวงพ่อก็ได้เรือขนข้าวลำใหญ่ซึ่งลูกศิษย์นำมาช่วยเดินทางล่องไปที่บ้านผู้ใหญ่กรีบพร้อมกับช่างและพระเ น, นตลอดจนญาติโยมข้างวัดไปถึงบ้านผู้ใหญ่กรีบคุณป้ายุพินก็เริ่มรื้อบ้านกันเลย เวลารือ้อตัวบ้านออกทีละส่วนไม่มีอุปสรรคขัดขวางแม้นแต่น้อยใช้เวลาแค่ค่นวันก็เสรีรยบร้อยทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัวเรือนไม่มีสิ่งใดแตกหักเสียหายเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะการรื้อถอนบ้านเรือนเก่าๆต้องมีการเสียหายไม่มากก็น้อยและไม่สามารถ หรือให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้เมื่อขนวัสดุตัวบ้านใส่เรือขนข้าวลำใหญ่หมดทุกชิ้นหลวงพ่อจันก็เดินทางกลับวัดอัมพวันในเย็นวันนั้นเองเช้าวันรุ่งขึ้นก็เริ่มปลูกโรงครัวกันเลยฝังเสาวางคานปูพื้นประกอบฟ้ามุงหลังคา เสร็จเรียบร้อยไม่มีขาดไม่มีเกินภายในวันเดียวอีกเช่นกันก็เป็นเรื่องที่แปลกซึ่งไม่น่าเป็นไปได้อีกเช่นกันโรงครัวปลูกเสร็จเรียบร้อยเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะบริเวณที่ปลูกอยู่ทางทิศใต้ของวัดค่อนไปทางเปรียววังเวงเนื่องจากยังเป็นป่ารกครึ้มมีกอไผ่โอบล้อมหลายสิบกอ ยิ่งเป็นเวลากลางคืนก็ยิ่งน่ากลัวทีเดียววันหนึ่งหลวงพ่อจรันมีกิจนิมนต์ไปที่อำเภออินบุรีพบกับคุณป้าหมากดิบภรรยาอาดีตประหลัดอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีบวชเป็นชีท่านผู้นี้หลวงพ่อถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเนื่องจากสมัยที่ท่านเป็นเด็ก ไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ได้พักอาศัยบ้านท่านประลัดอำเภอคุณป้าหมากดิบท่านเมตตาหุงหาอาหารให้รับประทานเรื่อยมาตั้งแต่หลวงพ่ออุปสมบทแล้วไม่เคยพบปะรู้ข่าวครา ว, าวคุณป้าหมักดิบอีกเลยมาพบคราวนี้คุณป้าบวชเป็นชีเสียแล้วหลวงพ่อจันทร์พบแม่ชีคุณป้าหมักดิบ จึงเข้าไปทักทายไต่ถามสารทุกสุขดิบได้ความว่าคุณป้าถูกเข้าโกงสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือบ้านช่องห้องหอไว้อาศัยในยามแก่ชราอีกแล้วหลวงพ่อจรัญจึงบอกแม่ชีคุณป้าหมากดิบว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะอัตมาจะรับเลี้ยงจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม่ชีคุณป้าหมากดิบ ก็ตามหลวงพ่อมาอยู่วัดอัมพวันตั้งแต่นั้นมาแม่ชีหมักดิบจึงเป็นแม่ชีคนแรกที่มาพำนักกุติโรงครัวหลังใหม่โดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนให้ท่านเกิดตหนกตกใจแม้นแต่ครั้งเดียวแต่แม่ชีหมักดิบลูกหลานมากและท่านก็ยังผูกพันห่วงใยลูกๆห ล, ล, ลานๆอยู่ เลยไม่ค่อยอยู่ติดวัดเวลาผ่านมาพระภิกษุสั ม, มนเนวัดอัมพวันได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมก็มาวัดอัมพวันจำนวนมากหลวงพ่อจรันอาศัยโรงครัวซึ่งปลูกสร้างไว้แล้วเป็นที่หงุงข้าวทำกับข้าวถวายพระเนินและเลี้ยงดูผู้มาเยือน ผู้มาช่วยหุงข้าวทำกับข้าวถวายพระสงฆ์องค์เนีนตลอดจนเลี้ยงคนก็คือญาติโยมบ้านเหนือบ้านใต้ซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดผลัดเปลี่ยนวนเวียนกันมาช่วยหลวงพ่อทุกวันพอถึงเวลาเ ย, ยน็นก็จะพากันกลับบ้านใครบ้านมันไม่มีใครนอนคร้างวัดอ้างแรมสำหรับหลวงพ่อนั้นเมื่อมอบหน้าที่ให้ฝ่ายใดไปจัดการแล้ว ท่านก็ไม่จู้จี้จุกจิกปล่อยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละฝ่ายไปเวลานั้นไม่มีใครนึกถึงแม่กาหลงกันแล้วแทบจะลืมไปเลยว่าโรงครัวนี้เป็นบ้านเก่าของแม่กาหลงที่หลวงพ่อจรรนซื้อมาปลูกขึ้นใหม่ขณะนั้นโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันได้รับการก่อสร้างขึ้นแล้วเช่นกันและ เปิดทำการสอนแก่เด็กๆที่อยู่อาศัยในละแวกตำบล น, นั้นเป็นส่วนใหญ่พันโรงประจํารงเรียนวัดอําพวันมีภรรยาชื่อบุญชูหลวงพ่อจรันเห็นว่านางบุญชูอยู่บ้านเฉยๆลูกๆ ก, ก็ไปเรียนหนังสือกันหมดท่านจึงขอแรงนางบุญชูมาช่วยงานวัด ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่โรงครัวร่วมกับคนอื่นๆช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงพระเนรเลี้ยงคนทุกวันนางบุญชูมาช่วยโรงครัวตั้งแต่เช้าและกลับบ้านช่วงเวลาบ่ายๆก่อนลูกผัวจะกลับจากโรงเรียนเพื่อเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นไว้ให้คนในครอบครัวกลับมากิน สำหรับแม่ครัววัดอัมพวันทุกคนหลวงพ่ออนุญาตให้เอาข้าวกลับไปบ้านได้ส่วนกับข้าวหากมีเหลือจะนำไปกินก็ได้เป็นการผ่อนคลายภาระเรื่องอาหารการกินในครอบครัวของทุกคน